มงคลชีวิตมงคลที่สิบสี่การงานไม่อากูลอนากุลาจะ ก, กรรมมันตาเอตามังคลมุตตมังการงานไม่อากูลหมายถึง การจัดการงานโดยไม่วุ่นวายไม่สับสนเรียบร้อยไม่ขั่งค้างหรือการทำการงานทั้งหลายมีการทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์และค้าขายเป็นต้นที่เว้นจากความอากูลคือจัดทําสม่าเสมอไม่ปล่อยให้ล่วงเลยเวลานี้แหละชื่อว่าการงานไม่อากูล ลักษณะางานไม่อากูลการจัดการงานเพื่อไม่ให้ข้างค้างนั้นต้องอาศัยธรรมสองอย่างคือปัญญากับความเพียรเป็นหลักคือมีปัญญาวางแผนรู้จักการเวลาที่จักจัดทารู้จักเนื้องานและรู้ว่าควรทำเองหรือใช้ผู้ใดทำจากนั้น ลงมือทำด้วยความเพียรที่สม่ำเสมองานย่อมไม่คั่งค้างหรือเกิดความเสียหายทำงานด้วยความสุกตามหลักอิทธิบาทสคือมีความต้องการจะทำมีความเพียรพยายามทำด้วยความคิดฝักใยและทำด้วยความรอบคอบใคร่ครวนตรวจตราเหตุให้งานเกิดอากูร 1>, 1. ไม่รู้จักการที่ควรจัดทำา 2. ททำการอย่างไม่เหมาะสมงานที่ควรรีบกลับทำช้าส่วนงานที่ไม่จำเป็นต้องรีบทำกลับรีบทำอย่างเร่งด่วน 3. ไม่มีปัญญาจัดทำการงาน 4. ไฟตฝ่ตามกมุ่นอยู่แต่อบายามุก 5. ไม่ขยัน เกียรคร้านทั้งที่มีกำลัง 6. โง่เขลาถือเลิกยามในการลงมือการงานไม่อากูลจัดเป็นมงคลเพราะ 1. งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 2. เป็นที่รักที่พอใจของนายจ้าง 3. ยอมได้ทรัพย์และคำชื่นชม 4. เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต 5. เป็นที่ต้องการของเหล่านายจ้างทั้งหลาย